Where a m I? What's happening แปลว่าตอนนี้เรากันยังอยู่ที่ไหนกันนี้นะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้น Happen นะครับแปลว่าเกิดเป็น verb นะครับ What's happening นะครับอะไรกำลังเกิดขึ้นนะครับ What's happening I'm trapped in the storm How did I get here and where is here I'm trapped in the storm นะครับ Trap คำว่า trapped แ ป, ปลว่า กับดักก็ได้นะครับถ้าเป็นคำนามถ้าเกิดว่า trapped เป็นที่เป็น verb เนี่ยมันแปลว่าติดกับนะครับ I'm trapped I am trapped แปล ว, ว่าฉันถูกติดกับนะครับมันแปลแบบนั้นก็อาจจะอาจจะตรงไปนะครับต้องบอกว่าฉันเหมือนกับติดกับนะครับติดอะไรฮะติดในพายุฮะ in a storm I'm trapped in a storm I'm trapped in the storm นี่กำลังติดอยู่ในพายุหรือเปล่านะฮะก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ในพายุเนี่ยนะครับ How did I get here? เอ้ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับ Did I get here? How did I get here? Uh huh. And where is here? และไอ้ที่เนี่ยที่ว่าเนี่ย here ที่นี่ที่ว่าเนี่ ย, ยมันที่ไหนนะครับ Where is here? And where is here? That sure didn't feel like a dream. โอเค I didn't fall asleep and uh, I'm sure that sure didn't feel like a dream ค, คือไม่ได้หลับไปแ น, น่นอนเลย I didn't fall asleep นะค fall asleep แปลว่าหลับนะครับคือแบบเผลอหลับหรือว่าหลับไป fall asleep I didn't fall asleep แปลว่าฉันอะไม่ได้หลับไปนะครับ uh and that sure didn't feel like a dream คือนั่นอนะ that นะครับไอสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ Sure didn't feel like a dream ม่ไรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นกับอ่าเป็นความฝันนะครับ dream คือความฝันนะครับ weird แปลว่าแปลกนะครับ w e i r d weird Diane Arbus There you go Victoria Why Arbus อ่าอันนี้เราอยู่ในห้องเรียนนะครับอย่าไปสนใจนะครับทุกคนก็กําลังคุยกันนะครับถามกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะดูประโยคถัดไปกันดีกว่านะครับ e like toad look at this crap How can I show this to Mr. Jefferson? Crap. เาอก c เนี่ยมันแปลว่าอะไรที่แบบไม่ค่อยดีนะครับแล้็คือไอ้ดูดูไอ้นี่สิที่แบบดูอะไรเฮ้ดูอะไรนี่ดีนะฮะแต่ว่าในความหมายมันคือไม่ค่อยดีนะครับ crap เนี่ยก็แปลว่าเฮ้ดูดูอะไรนี่ดีดูเฮ้ดูเชีย่ยนี่ดีนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ดิสคร right I haven't kept up with my journal as much as I should. I haven't kept up with my journal as much as I should. เระโยคนี้ก็โอเคนะน่าสนใจคือถ้าไม่ได้ทำอะไรบางอย่างนะครับก็เราใช้รูปประโยว่า I haven't done นะครับ I haven't kept up with นะครับ kept up with มันเป็นสำนวนนะครับแปบลบว่าไม่ได้คือไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ตามติดอะไรแบบนะี้ครับ kept up with I haven't kept up with my journal ก็ประมาณว่า Journal ในแปลว่าบันทึกนะครับถ h าเป็นแค่บันทึกหมา journal คือไม่ได้ไม่ค่อยได้เขียนบันทึกนั่นเองนะครับไม่ค่อยได้ตามบันทึกของฉันนะครับ as much as I should คือเท่าที่ฉันควรจะควรจะทํามันนะครับ as much as I should ครับแปลว่าควรจะนะฮะก็คือไม่ค่อยได้เขียน uh, journal นั่นเอง looked think? yourself Seously else they that to though at this what anybody would If อันนี้ก็คือ journal ของ Max นั่นเองนะครับ ตัวเอกของเรื่องเนี่ยชื่อว่าแม็กซ์นะฮะและเราก็มีอาจารย์ชื่ออาจารย์เจฟเฟอร์สันนะครับมีเคทวิกตอเรียอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคงจะเจอเพื่อนๆอีกหลายคนนะดูซิอ๋อคือแม็กซ์เนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ Frank. ก็แล้วก็จะดูอะไรต่างๆในห้องเรียนนะครับถ้ากิดว่าคุณเล่นเกมในีคุณสามารถเดินแล้วก็อ่านอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ อาอ็อบเจกต่างๆในห้องเรียนนะครับอินเทอร์แอคกับมันได้นะครับอินเทอร์แอคแปลว่ามีตอบสนองนะครับแปลว่าใช้อะไรแบบเนี้ยนะครับวัตถุต่างๆคุยกับวัตถุต่างๆได้นะครับ you're asking me let me think uh, you're a asking me ถามฉันหรอฮะถามหนูหรอเดี๋ยวนะหนูห น, ห น, หนูขอคิดก่อนนะครับ let me think อ um You either know this or not Max โหอาจารย์โมโหว่า either know this or not Max ก็คือรู้หรือไม่คือก็แค่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นนะ Max is there anybody here who knows their stuff is there anybody here who knows their stuff is there anybody ก็คือมีใครในที่นี้ไหมครับ here ที่นี่ who knows their stuff ที่รู้เรื่องพวกนี้นะครับ stuff แปลว่าเรื่องเหล่านี้ l ูอ i s d า g u e r r e was a French painter who created daguerreotypes a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror โอ้โหก็อารมณ์ประมาณว่าตอบมาแบบเป็นชุดนะครับลูอิสอะไรเนี่ยฮะดักเลีร์อะไรสักอย่างนะครับ was the French painter who created daguerreotypes a process that gave อะไรเ portrait sharp, like Port sharp reflective style เป็นสไตล์ที่มันมัน reflect reflective นะครับคือแบบเหมือนสะท้อน sharp reflective now you're totally stuck in the e t r o zone sad face retro zone retro แป่าแบบเก่าๆนะครับยด้ินคำว่า retro เ, าเกมอะไรแบบเนี้ยครับก็คือเกมพวกเกมเก่านะครับ retro zone ก็คือ เพื่อนเรานะครับคือไม่ค่อยจะ f น i e n d l y กับเราเท่าไหร่นะบอกว่าเนี่ยคือเนี่ยดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยนะยังอยู่ใน r e โ r o z e ยังอยู่ในโซนเก่าๆอยู่เลยนะ sad face <c oughs> คืออันนี้ยามกันเนี่ยยามกันป่ะเนี่ย very g o o u v i t i a v i c t o i a นี่ไม่น่ารักเลย Them extremely popular from popular the 1800 s <S 1 8โอเคครับเราจะผานไปเลยนะครับช่วงนี้เพราะเราตอบคําถามอาจารย์ไม่ได้เสียใจ Adam, your t t e x อ o ้วอาจารย์บอกว่าก็ลองอ่านหนังสือดูสินะครับเหมือนอาจารย์ในประเทศบางประเทศเลยนะไม่รู้หรอทำไมไม่อ่านหนังสือเมื่อก่อนล่ะโอเคครับดูออนไลน์ก็ได้แน่นอนดีแล้ว hey, guys, forget p โอเคอาจารย์แบบดุมากนะครับ See you not see อลองดูซิแม็กจะเดินไปไหน Damn, they have carbon fiber tripods here carbon fiber tripods tripods คือมันเป็นอุปกรณ์แบบขาตั้งกล้องอะเออ carbon fiber นี่มันคือน่าจะเป็น material อะไรบางอย่างนะครับวัสดุอะไรเออวัสดุบางอย่างที่เอามาทาซึ่งมัอนอาจจะดีนะดูท่าทางแม็กตื่นเต้น บอลเฮดนี่น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นติดกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักนะครับ Pan Lock คืออะไรโอ้โหนะก็โอเคครับอันนี้นี่ผมแปลได้ Photo n นิร์ดนะฮะ Photo แปลว่ารูปนะ Nerd ก็แปบลบว่าคนที่ชอบอะไรคลั่งคล้ายอะไรมากๆนั่นแหละอ่อย่างพวก Nerd อะไรแบบเนี้ยนะครับก็คนที่เล่นเกมมากๆ ก, ก, ก็อาจจะถูกล้อเป็นเนิรคนที่อ่านหนังสือมากๆ อะไรแบบนี gamer, ้นะครับผม That was amazing when Mr Jefferson took a class picture the first week That was amazing when Mr Jefferson took a class picture in the first week เนี่ยก็ Mr Mr Jefferson นี่คือเป็นอาจารย์ที่สอนนะครับก็ถ่ายรูปวันแรกนะครับที่เริ่มเรียนอาทิตย์แรกที่เริ่มเรียนนะครับ That was amazing นะครับ when เมื่อตอนที่นะครับม r สเตอร์เจฟ took a class picture took a picture นะครับแปลว่าถ่ายรูปครับ took a class picture ว่าถ่ายรูปชั้นเรียนใน the first week ทีแรก even though I didn't want to be in the picture at all it was fairly fucking cool to watch him at work framing okay อ่ออีกทีครับ e v e t h o I didn't want to be in the picture at all ถึงแม้ว่านะครับเอฟเวนโดว์แปลว่าถึงแม้ว่า I didn't want to be in the picture at all ไม่ได้อยากอยู่ในรูปนี้นะครับแต่ it was fairly fucking cool อ่า มันก็ค่อนข้างที่จะ fairly นี่คือประมาณว่าก็ quite ค่อนข้างที่ fucking cool ก็อารมณ์ประมาณว่า cool นั่นแหละ fucking cool ก็แปลว่าแบบแบบโคตรเจ๊งนะอะไรเงี้ยฮะ to well, it was fairly fucking cool to watch him at work to watch him at work framing us framing us นี่น่าจะประมาณว่าแค่แบบมันน่าจะเป็นศัพท์เกี่ยวกับการถ่ายรูปนะ framing us แบบถ่ายรูปพวกเราหรือว่า กรอบนะเฟรมมน่าจะแปลว่ากรอบ f r a ฟรมอิงไม่รู้เหมือนกันเพราะมันแปลว่าอะไรนะี่ง <mur als. S 1> ประมาณว่าจัดองค์ประกอบให้พวกเราอะไรเงี้ยนะถ้าเข้าใจไม่ผิด That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. t h a printer นะครับ is amazing ก็ amazing มันแปลว่าแบบเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมอะไรเงี้ย I'd love to see I'd love to see how I love to see how it reproduces my pictures นะฮะก็น่าจะดีนะถ้ากคืออยากจะเห็นเวลาที่มัน reproduce สร้างนะครับ uh, my pictures ตอนที่มัน print รูปออกมา I could pump out a whole gallery show with that thing when I don't suck Okay I, I could pump out the whole gallery show pump out ก็คือหมายถึง print นั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเออเนี่ยอยากจะเห็นตอนที่มัน p ร i n t รูปออกมาใช่ไหม I could pump out the whole gallery show แบบ ออกมาได้ทั้งออกมาเป็นแกลเลอรี่โชว์เลยก็ได้นะ with that thing ก็คือหมายถึง printer นั่นเองแแปลว่าสิ่งของอะไรก็ได้นะครับเราเรียกอะไรก็ได้ที่ว่าที่เราพูดถึงเราว่า that thing ก็ได้นะครับไอ้นั่นะทีนะ่เราพูดนถะึงครับนะ when I don't suck someday when I don't suck ก็คือตอนที่อ่าฉันไม่ห่วยแล้วอันนี้คือพูดถึงว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่หวยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นออกมาเป็นแกลเลอรี่เลยนะครับแสดงว่าตอนนี้อาจจะแบบยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ someday one day I love seeing Mr Jefferson's awesome photos on these magazine covers I love seeing Mr Jefferson's awesome photos on these magazine covers ก็อ่าแม็ชอบดูรูปของ Mr Jefferson ครูที่สอนนั่นเครับ Awesome แปลว่าเยี่ยมนะครับแปลว่าดีมากๆ For น those ะ on these magazines covers อารมณประมาณว่ารูปที่อาจารย์ถ่ายเนี่ยมันได้เอาไปขึ้นปกนิตยสารแลนะ้ว Max ก็ชอบดูมันนะมีการอ่านด้วยหรอ Max Even her schoolbooks are gift wrapped. Believe she made fun class. อันนี้เราน่าจะเข้ามาดูอุปกรณ์ของเพื่อนเรานะครับไอ้วิกตอเรียเนี่ยที่เมื่อกี้มันพูดกับเราไม่ค่อยดีนะครับก็อารมณ์มาว่าเฮ้ยเนี่ยโห oh, even her schoolbooks are gift wrapped แบบแค่หนังสือแค่สมุดอ่ textbook นะครับ schoolbooks schoolbooks นี่คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหนังสืออะไรบางอย่างหนังสือรุ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ gift w r a p p e d gift wrap นะครับ ไม่ใช่กีบแรปเทสขออนุญาตกีบแรปก็คือแบบฮอของควันยังดีเลย I can't believe she made fun of me in class แบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบต้องมาล้อกันในห้องเรียนน่ย made fun of นะครับ make fun of ก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นช่องสองพูดถึงเวลาหมายความว่าคือมาล้อกันนะครับ made fun of นะครับ What is she 15 years old and people laugh e d <c oughs> What is she 15 years old คืออ่ะ อ, อะไรนะอายุ15หรือไงแบบแล้วก็แต่ละคนก็หัวเลาะยอ่ออะไรแบบเนี้ยลาฟแปลว่าหัวเลาะนะครับหัวเราะย่อก็ได้ครับ แน่นอนเดี๋ยแล้วว่าวิกตอเรียเนี่ยจะต้องมีของที่ bestest นะครับดีเยี่ยมที่สุดครับนิวเวสต์ใหม่ที่สุดแล้วก็ most expensive everything คือดีเลิศ most e เอไม่ใช่แพงที่สุด most expensive everything ทุกอย่างต้องใหม่ที่สุดดีที่สุดแพงที่สุดอะไรแบบนั้น Blackwell Oh, Blackwell Blackwell นี่คือน่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ถ่ายรูปที่ดีที่สุดนะครับดูราคาแล้วเนี่ยแพงมาห้าพันสองร้อยก้าสิบเก้า I should know okay I should have known แปลว่าน่าจะรู้นะ I should have known ฉันน่าจะรู้ไปแล้วนะครับ uh, I should know ก็ได้นะครับ I should have known แปลว่าฉันน่าจะรู้ไปแล้วละอารมณ์ประมาณว่านฉันน่าจะรู้นะอะไรอย่างเงี้ย Should have better equipment than Blackwell ก็ เธอจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีกว่า Blackwell Blackwell นี่ผมไม่แน่ใจกคืออะไรตแต่ต้องดีมากๆแน่เลยถ้าดีกว่า Blackwell ประมาณนั้นโอเคตรงนี้ครับน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูบทสนทน า, นาระหว่าง Max กับ Kate ดีกว่าครับ Hi Kate Oh Hi Max Hi โอเคครับเราจะเลือกอะไรดีอันนี้ผมไม่ได้เลือกครับ You seem quiet today. You seem quiet today ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะ เ, เงียบๆนะวันนี้ quiet เงียบครับ You seem quiet. You look a bit อ um, ืเงียบๆอะ่ะดูเงียบๆอะ่ะ Just thinking too much. Just thinking too much ก็ไม่มีอะไรคิดมากนิดหน่อยอะ่ะ too much นะครับมากเกินไปครับ Just thinking too much. I hear that. Want to go grab a cup of tea and bitch about life? <laughs> oh, I hear that. G าาก็อารมณ์ประมาณว่าเอาก็พอเข้าใจอะ่ะ I understand นะครับ I hear that. Want to grab a cup of tea and bitch about life. อยากจะไปกินกาแฟไหมนะ a cup of tea grab a cup of tea grab มันแปลว่าหยิบถ้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า grab a cup of tea มันแปลว่าไปกินกาแฟไหม ไม่ใช่ไปกินชาไหมนะครับ grab a cup o f coffee ก็แปลว่าไปกินกาแฟไหมนะครับ about life ประมาณว่าแล้วก็ไปบ่นเรื่องทั่วๆไปในชีวิตนะครับ Bitch แปลว่าแบบบ่น complain อะไรแบบนี้ thanks but not today I have to go over homework thanks but not today ก็เออก็ขอบคุณนะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้หรอกเพราะว่าแบบต้องทำการบ้านอะ Thanks, but not today. go over homework ก็แปลว่าต้องทำกับ้านแหละ go over something มันแปลว่าเหมือนกับซ้อมก็ได้นะครับแปลว่าอ่านแปลว่าทาอะไรอย่างงี้ก็ได้ I have to go over homework <No worries. S 1> ต้องทบทวนอะไรเงี้ย go over let's hang later let's hang later hang hang นี่น่าจะแบบย่อมาจาก hang out นะ hang out น่าจะแปลว่าไปเที่ยวเออแบบเดี๋ยวค่อย ไปเที่ยวกันใหม่นะค่อยไปแบบไปยังไงดีล่ะเ อ, อ้ยเดี๋ยวค่อยไปไปกินกาแฟไปกินชากันวันหลังอะไรแบบนี้ Sure Sure Excuse me Mr Jefferson can I talk to you for a moment ขอโทษนะครับ Mr เขอคุยด้วยสักพักหนึ่งได้ไหมอ่ะ Yes Excuse you No Die e excuse me แปลว่า excuse me excuse me แปลว่าเออขอโทษนะคะนะครับ e r ขอโทษนะครับก็ได้นะขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้หมนะครับ for a moment แปลว่าแค่แป๊บเดียว yes excuse you yes excuse you แปลว่ามาลว่าก็ได้สินะ Victoria excuse us โอ้ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอก Victoria เออ excuse us นะครับมันเป็นอะไรที่สุภาพที่เราจะบอกว่าเอยเธอไม่ต้องขอหลอกเราอะ่ะควรจะเกรงใจเธอมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อาจารย์บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมอะ่ะไม่เคยนะครับ I never I've never let one of our photography's future stars อันนี้ประมาณว่า เหมือนกับประชนดนิดๆน ะ, ะฉันจจะไม่ปล่อยให้ดาวรุ่งนะครับ Stars นะครับ Future Stars ดาวรุ่งในอนาคตนะครับ Future Photographies ช่างภาพดาวรุ่งในอนาคต Avoid handing in her picture Handing l in แปลว่า Handing in ท็ี Handing in แปลว่ายื่นนะครับแปลว่าส่งอะไรแบบนี้นะครับ Handing in her picture ก็คือแบบส่งรูปนั่นเอง เอาแสดงว่าอาจารย์เนี่ยเขาใจผิดว่าเรามาส่งรูปแต่จริงๆอะเฮ้ยเราไม่มีรูปส่งนี่อาจารย์เขาใจผิดแล้วยาอาจารย์เขาใจผิดแล้วยา big a do I have to, I uh, I have to? Uh, ต้องต้องส่งด้วยเหรอ I just don't think it's that big a deal คือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเปล่า Max You better photographer than liar. Max you better photographer than liar. You are better photographer. คุณเ ป, นะเป็นช่างภาพที่ดีกว่าดีแล้วนะเป็นช่างภาพดีแล้วดีกว่าจะเป็นคนขี้โกหกฮ่าฮ u าฮ่าฮ่าโอเคครับอันนี้เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ Now I อ n o w it's a drag to hear some old dude you. Drag, ี l d dude l ยดีเท่าไห i t น a d ั a g ็นอะไรที่ไม่ค่อารมันเป็ะที่ไม่ค่อเหร่นนเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ it 's a drag some ร l d dude l e อ t u r e you นะมปร่ไเ่าไห่มือนกับม่อ่าสห่นะมันะไรที่ไม่ค่อยดี t ท uh, ่าไหร่นะมันเ็ไร่ไ่ดาไหร่นะมันเ็นอะไรที่ไม่ค a อย a l เ h ่าไหร่นมันไมี่ได้แบบาะมารอรค่อยดี่าหรมันเ็นไี่ม่คเท่น แคชชั่บแคชชั่บคือแบบเล่นวิ่งไล่จับอะอะไรประมาณว่าชีวิตมันไม่ล่อนะอันนี้คืออาจารย์กําลังแบบประโชดเ ต, ต็มที่เลยนะ y o u young the world is yours blah blah blah right ป ร, ประมาณว่าเนี่ยโอ้หก็ยังเด็กอยู่นี่แบบโอ้โหทั้งโลกนี้ก็เป็นของคุณนะ the world is yours blah blah blah blah b l a นี่แปลว่าแบบเฮ้ยก็แบบอะไรๆ ๆ, ๆไรไรไรแบบเนี้ย นะมันไม่มีความหมายอะไรนะครับบลาบลาบลา right ใช่ไหม but you do have a gift you have the fever to take images to frame the world only the way you envision it โอ้โหอาจารย์แบบขี้โม่มาก น, บบนีบอกว่าแต่ว่าคุณน่ยมีพราสวรรค์ น, นะครับ you have a gift <laughs> but you do have a gift do have a gift เนี่ยคือ you have a gift ก็ได้นะแต่ว่า you do have a gift เนี่ยมันเป็นการย้ํา ว่าเอ้ยแต่เธออ่ะมีพรสวรรค์จริงๆนะ you have a gift gift แบลว่าพรสวรรค์นะครับผมแปลว่าของขวัญก็ได้ you have the fever to take images um, อันนี้ผมไม่น่าจะยัง the fever to take images นะครับ to, take images. to frame the world only the way you envision it to frame the world ประมาก็กคือประมาว่าถ่ายรูปนั่นแหละนะครับ frame the world ถ่ายทั้งโลกนี้นะครับ the way you envision it, ในแบบที่คุณจนะินตนาการเลย Now, all you need the courage share you your Now to need the others. is gift with ก็เพียงแต่ว่าคุณน่ะจะต้องคุณก็แค่จะต้องแชร์นะครับแบ่งปันความกล้า courage แล้วก็แบ่งปันพรสวรรค์เนี้ยให้กับคนอื่นๆบ้าง with others <c oughs> that's what separates the artist from the amateur that's what separates the artist from the amateur นั่นนะมันคืออะไรที่ separate ที่แยกวั e p a r a t e อะไรที่แยก the artist ศิลปินออกจากมือสมัครเลน from the armature โ oh, ออาจารย์อะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าเราก็จะ ปล่อยให้แม็กซ์ออกจากประตูนี้ไปนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ได้ที่ลุงรู้หนูอยากเก่งนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบรู้สึกว่าวิดีโอนี้มันทำให้คุณโกรธโอ้โหหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถระบายความโกรธได้ที่ปุ่ม d i s l i k ์ข้างล่างแล้วพบกันใหม่คราวหน้าผมสวัสดีครับ